เราจะมาฟังผลงานเพลงดอกย่าในป่าปูนขอใจกันหนาวเจ้าชายของชีวิตเอ๊ะท่านผู้ฟังพอจะเดาได้ไหมคะว่าใครเป็นคนร้องเอาใบให้หน่อยนะคะว่าเธอเนี่ยมีฉายาว่าสาวดอกยา่านึกไม่ออกอีกเอาเป็นว่า เพลงของเธอนี่นะฮะดังทุกเพลงแล้วก็ใครๆเนี่ยต่างชื่นชมเธอเอาเฉลยเลยละกันเธอนั่นคือตายอรไทยของค่าย GMM Grammy ค่ะตายอรไทยมีชื่อจริงว่าอราไทยดาบคำเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี เธอเนี่ยทำสถิติยอดขายเพลงของเธอเนี่ยทะลุถึง1ล้านตลับติดต่อกันถึงสอัลบัม้มเท่มตอนสมัยเด็ก ๆ, ๆเธอเนี่ยอยู่กับคุณยายเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันแล้วเธอเนี่ยค่อนข้างจะยากจนจึงได้ไปสมัครร้องเพลงอยู่ที่ วงของที่เขาไปเล่นตามต่างจังหวัดแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปประกวดรายการลูกทุ่งและก็ไม่ได้พบกับคุณครูสลาคุณอาวุธซึ่งคุณครูสลากเนี่ยก็แนะนําว่าเสียงดีนะไปฝึกเยอะๆและเธอก็ไป เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมาช่วยแม่รับจ้างซักเสื้อผ้าให้กับคนงานโถท่านผู้ฟังคะคิดดูนะคะนักร้องลูกทุ่งเงินหลายสิบล้านอดีตเคยทํางานรับจ้างซักเสื้อผ้าให้กับคนงานก่อสร้างนะคะคิดดูแต่สุดท้ายเนี่ยคือรายได้มันไม่ดีอะ่ะก็เลยมาอยู่ทางด้าน เป็นสาวโรงงานคือผัดด้วเองเป็นสาวโรงงานแล้วก็เข้ามาสมัครอยู่ที่รายการชุมทางเสียงทองก็ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียนเรียนมรามนะคะแล้วก็ทำงานไปด้วยขนเสื้อผ้าเนี่ยมาขายตะเวนทั้งกรุงเทพปทุมธานีละครปุมขายตามชาญเมืองคือขยันมากคนสู้ชีวิต ต่อมาพี่สาวเห็นว่าโอ๊ยน้องสาวชันน่าสงสารเหลือเกินเสียงดีหน้าตาก็ดีแต่ไม่น่าที่จะมานั่งค้าขายแบบนั้นทั้งๆที่ก็เคยจะชนะเคยชนะแล้วนะการประกวดร้องเพลงหลายๆที่จึงหาทางติดต่อกับครูสลาคุณวุธแล้วก็ได้พบกับครูสลาจริงๆ เหมือนฝันของตายเลยค่ะตายเนี่ยก็ฝึกร้องเพลงจนกระทั่งได้ออกอัลบั้มชุดที่1ค่ะดอกหญ้าในป่าปูนซึ่งทธก็ดังติดลมบนเลยค่ะเพราะว่าสามารถทำให้เพลงลูกทุ่งกระเตื้องขึ้นมาโดยเฉพาะมียอดขายนะติดต่อกัน1ล้านตลับเนี่ยครบ3าอัลบัม้ม อาจารย์สลาเนี่ยพูดถึงตายอรไทยว่าเป็นศินลปินคนแรกที่คุณครูสอนหมดทุกเรื่องทั้งบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมแนวเพลงถ้าเปรียบว่าตายถ้าเปรียบว่าตายเนี่ยเหมือนการเรียนแล้วครูสลาเนี่ยเหมือนนักศึกษาปอโทแล้วแล้วก็ ตายเปรียบเหมือนวิทยานิพนธ์ชิ้นสําคัญเป็นวิทยานิพนธ์ที่ทำให้ครูสลาได้ชื่อว่าเป็นด็อกเตอร์วันแรกๆที่เห็นตายออกทีวีเนี่ยครูสลาเนี่ยร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะท่านผู้ฟังเขาบอกว่ามันเหมือนกับเราปั้นจากเด็กคนหนึ่งอะ่ะที่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะปั้นจากดินมาเป็นดาวอะ่ะพอถึงวันที่เขามายืนอยู่บน เวทีอยู่แนวหน้าของวงการนักร้องเนี่ยอาจารย์สลานี่ร้องให้รู้สึกว่าได้ช่วยช่วยเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะรู้สึกทำให้ตื้นตันใจเอาละค่ะวันนี้เราจะมาฟังเพลงของตายอรไทยกันนะคะซึ่งเป็นผลงานแต่งคําร้องของครูสลาคุณวุฒิอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเพลงดอกย่าในป่าปูนแล้วก็ อีกหลายๆเพลงของต่ายนะคะเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามฟัง DJM แอมในรายการแฉหมดเปลือกกันนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นนักร้องลูกทุ่งคนไหนค่ะ กำกางเกงยินเก่าเก่าใส่เสื้อตัวร้อยเก่าเก่ากอดกระเพาใบเดียวติดการกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบมอปลายลาทุ่งดอกบุญสว้ยมาอาศัยชายคาป่าปู เก็บงอนเข้าเรียนภาคคืก่อความหวังบนทางเปือนฝุณนสังคมเฮือใจขาดแคนน้ำใจเจือจุนใครความอดทนเติมทน จบชั้นที่เฝ้ารอมาจะสวงมองพวดดอกยาทายรูปปริญญาหวนมาบ้านเรา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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณพยุงศรีดากันค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะเดี๋ยวให้คุณป้าพยุงแนะนําชื่อ<ะ>นำตระกุลแ<ะ>ละที่อยู่ค่ ะ, ะอ้าอยู่หมู่เก้ามานเจ็ดบ้านเจ็ดเก้า ต, ตํนนตตาตบลตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์อ่าตําบลตะเคียนเลื่อนอําเภอเมืองนครสวรรค์ น, นะคะจ้าค่ ะ, ะแล้วคุณป้าก่อนที่จะมารู้จักกระมูลใบเนี่ยเป็นอะไรมาคะกับปวดปวดหลังแล้วมันชาลงขา ปวดชาขาชาเข่าอะไรเงี้ยปวดหลังชาลงขาชาขาชาเข่าอ่าเป็นทีหนึงนี่เน่ตนอนได้ไหมนอนไม่ค่อยจะได้เลยอพลิกไปพลิกมามันปวดไปหมดไม่สบายตัวเลยนอนน่ะ อ, อ่อนใจจึงจะหลับทําไมอ่อนใจตื่นมาไม่หลับแล้วทีเนี้ยพลิกไปพลิกมานอนปวดก็โอ๊ยกลับไปพลิกก็ปวดอไปเข้ามาทรมานว่างั้นเหรออ่าทรมาน เ ว, าวล า, าลุกยเวลาลุกแล้วเป็นยังไงเวล า, าลุกลุ ก, ล, กลุกน่าต้องคานเหมือนตักคานออกจากมุ้งอะ่ <c oughs> ะแล้วเดินเข้าห้องน้ํานี ง, งอตัวแล้วไปนั่งช่วมนะลุกขึ้นทิ้งก็ต้องเกาะไอ้เ ก, กาะไอ้ปากอ่างแล้วมายืดตัวเองขึ้น <c oughs> เึง่จะ อ, ออกมาจากห้องน้ําได้เนี่ยโอ้โหตึงขาตึงใตง้ท้องขาตามน่องตามอะไรงี้ตึงไปหมดตากหลังลงไปเนี่ยเนี่ยตักเอวลงไปเนี่ยค่ะ แล้วเห็นบอกว่าคุณป้าเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุมาใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะขับรถมาถอนตั๋วีค่ะกลับมันจะมืดไปมืดถอยหมามันตัดหน้ารถล้มต่างกันนั่นมาแย่เลยรถล้มมากี่ปีแล้วคะโอยตั้งแต่พอสอะไรว่าห้าสี่ห้าสี่เนาะห้าสี่สิป้าเป็นความรู้กับผู้ฟังนิดนึงนะคือเวลาที่รถล้มอะค่ะรถล้มใหม่ๆอ่ะ ทำแผลเสร็จแล้วเนี่ยอาการเส้นเป็นแบบนี้เลยไหมหรือว่าทิ้งไว้สักพักเราค่อยไม่ได้ไปหาหมอเลยพะรถล้มมานนะตรงมันเป็นหัวคิ้วนี่ใส่แว่นมันจะมันจะแตกตรงหัวคิ้วอย่างเดียวก็ขาทะลอกแล้วก็ไม่ได้ไปหาไปโรงพยาบาลเลยก็ไม่มันไม่เป็นไรไงเออมันก็ตัวเองคิดว่าไม่ไม่เป็นไรมากไงก็เจ็บกระดูกกระเดี่ยวเฉยลุขึ้นก็ไปทํางานต่อได้อีกกินยาอ่ากินยาแก้พวกอักเสบอะไรเงี้ยแก้ปวดมันก็ไปทํางานต่อได้อีก อยู่มานานแม่กว่าที่จะอยู่มานานๆ น, น, นะเข้านะเข้ามันปวดชักขึ้นไม่ค่อยจะไหวอะไรเงี้ยไอ้นานนะักเข้าเนี่ยมันกี่เดือนโอ้หลายปีเลยเนี่ยตั้งแต่สี่ห้าสี่อ่ะแล้วก็เด็กไปหาหมอไปหาหมอโรงพยาบาลเขาก็จะให้ผ่าค่ะเราก็กลัวเนาะกลัวผ่าแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วแม่ก็แม่คกล็ล้มแล้วก็แกเดินไม่ได้แกก็เราก็ต้องหูงข้าวขู่ปลาแกกินไง ก็ต้อง<ะ>อดูแลแม่ด้วยถ้าเกิดเราไปผ่าเราก็ทําอะไรไม่ได้ตัวเองก็ทําตัวเองไม่ได้เนี่ยเจ้าแม่กินไหมค่ะอืมมันมันก็เลยไม่อยากจะผ่าไงท<ะ>ีนี้มาเปิดวิทยุฟัง<ะ>ทําไรด้วยเนาะก็เปิดวิทยุฟังก<ะ>็ฟังเคนนู้นกินดีคนนี้กินดีก็จะกินบ้างท่านผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าได้ฟังดีเจแอมนะคะสิ่งหนึ่งที่สังเกตเกี่ยวกับตัวคุณพยุงคือเคยประสบอุบัติเหตุมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วในขณะที่ ประสบอุบัติเหตุใหม่ๆยังพอทำงานได้ถูกไหมคะได้ทานได้แต่กทนเอาอ่าแต่ก็ทนเอาแต่หลังจากนั้นเข้านานวันเข้าหลายปีอาการเส้นที่มันเกิดการเลือดตกข้างในชอกช้ำเป็นริ่มเลือดมันไม่หายไปแล้วมันก็สร้างปัญหาแล้วมันก็ทำให้คุณพยุงเนี่ยเดินแทบไม่ไหวเลยทำงานไม่ได้ท่านผู้ฟังคะท่านไหนนะคะที่เคยประสบอุบัติเหตุอย่านิ่งนอนใจคะ่ะใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบรท์ช่วยท่านนะคะ เอาแล้วค่ะแล้วหลังจากที่มารู้จักฟังรายการวิทยุฟังมูนไบรท์และได้ลองใช้เห็นบอกว่าชุดเล็กเองอาการเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นกลางคืนกลางคืนเมื่อคืนนี้ก็นอนดีเนาะไม่ค่อยปวดไม่ค่อยอะไรเมื่อเช้าก็ไม่ค่อยปวดเจะต่างใหม่เนี่ยแสดงว่าที่เคยแบบนอนแล้วก็ปวดคือแบบว่าต้องนอนให้อ่อนใจแล้วค่อยหลับเนี่ยนั่นแหละเหนื่อยเขาถึงจะหลับถ้าไม่เหนื่อยไม่หลับอ่ะหลับตื่นมาก็ไม่หลับแต่มันปวด่ ต้องพลิกไปพลิกมานอนไก่หมอนกันแล้วก็เอาพลิกไปทางโน้นก็เจ็บมันปอดจะพลิกหงายท้องทีเนี้ยนะมันเหมือนอะไรมันใบไรไม้มาตีหลังเราแย่มางั้นแอลอเหมือนไม้มาตีหลังให้แย่ใช่เนี่ยเมื่อคืนนี้ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งออเมื่อคืนนี้ดีขึ้นก็คือหลับง่ายขึ้นหลับหลับตื่นมาตีสามตีสองตีสามตื่นมาเออพลิกตัวเขามันก็ไม่เป็นไรมันก็เขายังชั่วอ๋อค่ะ แล้วก็ไออาการที่เหมือนกับว่าเป็นค้ายๆว่าเออตอนเช้าๆก็ก็มีปวดบ้างเนาะอ่านแล้วแต่ยังมีอยู่เลเนี่ยแต่มันก็น้อยลงหน่อยแล้วทานมูนไบเห็นบอกว่ามันขับมันปวดมากขึ้นเลยเหรอคะจ้ามันปวดโหทีแรกปวดเลยกินใหม่ๆขึ้นกินไปครึ่งนึ่งนะวู้ทําไมมันเจ็บปวดขนาดนี้ฟังไปฟังมาเขาก็บอกว่ามันจะเป็นทีแรกมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยออพอกินไปแต่เข้าแต่เข้าดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไงอ๋อค่ะอ่าอันเนี้ย ทางรายการมูลไบส์บนะคะต้องขอขอบคุณคุณพยงศรีดาเป็นอย่างยินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ ะ, ะชามือชชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์ย้ำชาหมือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบส์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ามันมูนไบส์สอบถามได้ที่เบอร์ศูน แหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดำศูนย์ดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดคำภรโยคีค่ะและน้ำมันไปเคียนเลือนค่<ข>ะ Ad อำเภอเมืองค่<ข>ะจังหวัดนครจังหวัดค่ะ ค่ะคุณป้าอมพรโยคีเนี่ยไม่ทราบว่ารู้จักกับมูลไบรท์ได้ทางช่องทางไหนคะกางวิทยุเนี่ยค่ะโอเคแล้วคุณป้าอมพรนะคะตอนนั้นช่วงก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์เนี่ยอาการคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะปวดขาค่ะปวดขาแล้วมีอาการเห็นบอกว่าลมขึ้นด้วยใช่ไหมคะ ตึง<อ>ท้องมากใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ อ, อ, อ, อลมขึ้นตึงท้องแล้วอคุณป้าเห็นบอกว่าใช้ไปได้แค่ชุดสองชุดแล้วอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะอะเบาท้องอืดแล้วก็เบาปวดหลังแล้วมันมั น, มนยึดหลังอะค่ะเบายึดหลังเลยเป็นอะไรันจ้าจีนอืมค่ะแล้วเห็นว่าคุณป้าอมพรเนี่ยพอรับประทานแล้วดีจึงแนะนําให้เพื่อนรักคนหนึ่งคือคุณป้าวิวาตรีจูได้ทานด้วย แต่ก่อนเนี่ยคุณป้าวิวาเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคะป๋ต่อยเขาเป็นแน่ขาไอแดดเขารถชนมาตอนนี้เขาเดินไม่ค่อยได้อ่ะป้ากา็ไปแน่นา้ามันเขากินเขาเตอนนี้เข า, าก็ยังกินอยู่เลยอืมคุณป้าวิวาตีจูเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเห็นว่ารถชนมาแล้วเดินไม่ได้มากี่ปีคะเดินไม่สะดวกสปีได้มไหมเขาเดินได้แต่มันขามันไม่งอไงนะอแล้วมันปวดมันแสบมันะ่ะ ขาแล้วขายเห็นบอกว่าขานี่กวาดพื้นถนนเลยใช่ไหมคะได้ๆคือเดินขาล า, ากกวาดได้เดี๋ยวเนี้เขาดีแล้วนะ่ะจะร อ, อ, อได้อืมซึ่งซึ่งคุณป้าวิวาตรีจูเห็นว่าใช้ไปได้แค่เชุดเดียวเองแล้วดีขึ้นเลยใช่ไหมคะได้ๆค่ะแล้วอของของคุณป้านะคะอัมพรคือเห็นว่าเตอนนี้นอกจากหายปวดขาวปวดหลังนะคะแนะนําให้คุณป้าวิวา ค่ะสอบถามนิดนึงถ้ามีคนเขาสงสัยว่าเอ๊ะคุณป้าอัมพรเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันไค่เส้นจริงหรือเปล่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าคะหรือว่าไม่เป็นนะคะค่ะยืนยันมีตัวตนจริงนะคะใชจ้ะใช่จริงเนาะนันใช้ดีค่ะน้ำมันใช้ดีด้วยนะคะค่ะน้ำนใช้ดีค่ะคุณป้ามีอะไรจะฝากกับผู้ที่ฟังวิทยุในตอนนี้บ้างคะค่ะเกี่ยวกับมุญไบร์ค่ะ ป้าขับขูดไม่ค่อยกินค่ะค่ะฝากปวีวาเข้ากิงค่ะฝากฝากเป็นข้อคิดนะคะว่าเอ๊ะของบุญใบแพงหรือเปล่าใช้แล้วจะได้ผลจริงไหมบางคนกลัวว่าโดนหลอกอะไรเงี้ยค่ะจะฝากอะไรกับเขาคะของบุญใบไม่หลอกอะค่ะจริงของจริงเนาะหายจริงอ่ะของจริงไม่ไม่หลอกแ้วถูกด้วยไหมแพงเหมือนยี่ห้ออื่นออืมค่ะ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 ชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม สมจิตโยคีค่ะอ่าคุณสมจิตนี่เป็นเป็นหลานของป้าอัมพรโยคีใช่ไหมเป็นเป็นน้องสะพ้าค่ะเปอนสะพ้ากันอ๋อค่ะเขาเป็นพี่สะพ้านี่เป็นน้องแบบเป็เป็นคู่สะพ้ากันอ้ะเป็นคู่สะพ้ากันจ้ะแล้วป้าอัมพรเนี่ยสะอาการก่อนหน้าที่รู้จักอาการป้าแกเป็นยังไงบ้างคะสมัยก่อนแต่ตอนนั้นแกก็รู้แบบแะทําอะไรไม่ค่อยไหวนาะตอนนั้นอะ อ่าทำอะไรไม่ค่อยได้อ่าไม่ค่อยได้เลยเด่นนี้แกออกไลนออกอะไรเก่งแล้วไอตอนที่ทำอะไรไม่ค่อยไหวนี่คือยังไงคอยู่กับบ้านเฉยๆหรออยู่บ้านเฉยๆไอไปซ้ำได้เก็บอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยได้ผลไม้ในไร่แกอ๋อคือถ้าเกิดเล็กๆน้อยๆพอทำได้แต่ถ้าเกิดการทำอะไรเยอะๆไม่ไหวแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมเทียบกับแต่ก่อนอ่ะเรารู้สึกว่าแกแข็งแรงดีนะเดี๋ยวนี้ยเมื่อก่อนแกจะไม่ค่อยนั่นนะเดี๋ยวนี้แกแข็งแรงเยอะแล้ล่ะอ๋อสมัยก่อนนี้คือเดินไปไกลก็ไม่ไหวเหนื่อยไงแล้วแกเป็นไอ้นั่นด้ยไงแกเป็นไทลอยด้วยไงอืมค่ะอ๋อเห็นจากการสัมภาษณ์คุณอัมพรเนี่ยจําได้ว่าป้าบอกว่าตึงเส้นท้องมาก ใช่ก็เป็นแบบง่าเป็นเป็นอะไรก็ดรวดต่ำขาตํำเข่าเดินก็ไม่ค่อยสะ ด, ดวกเคยที่ให้สะภวพไว้นะแต่อตอนนี้คือเหมือนกับว่าอาการทั้งหมดนี่ดีขึ้นแล้วดีแล้วเห็นเกมทีแกจะกออกเป็นลดน้ำรดอะไรต้นไม้เองได้อะไรได้เมื่อก่อนก็จะปวดขาไม่ค่อยไหว อ, ะอ่ะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณป้าอัมพรเนี่ยใช้มูไลไบรท์ไปช่วงหนึ่งจนทุกวันนี้นะคะท่านผู้ฟังหยุดใช้มาเป็นปีแล้ว อาการที่แบบว่าอ่อนเตี้เพียแรงกลับมาอีกไหมหรือไม่ไม่เป็นแล้วน่าจะไม่เป็นเนาะเห็นแกก็มั่นดีอ่ะไม่เห็นแกบ่นนะตอนนี้ขยันทำทุกอย่างจ้าอ๋อค <c oughs> ่ะอ <c oughs> แล้วคุณสมขิดนะคะเอ่อมองว่ายังไงคะผลิตภัณฑ์มูลบกับการที่คุณยายคนนึงอ้งทำงานเป็นคู่สะพายด้วยกันแล้วแบบโอ้ไม่ไหวเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะคะ ก็เห็นว่าดีนะแล้วก็ฟังทางรายการก็คนนู้นคนนี้ให้สัมภาษณ์ก็ว่าดีก็เลยจะลองกินดูเพ <อ S 1> ราะว่ากินยาหมอบมาจะไปเอายาหมอที่อันาหม่มากินมันไม่หายมันจะก็ปวดยิ่งหน้าหนาวมันจะปว ด, ปวดเหมือนแบปวดกระตุกขาบางทีนอนไม่หลับเลยนะแล้วก็ ม, มือชามือชาแบบเป็นนู้แล้วกอ่ะบาีลุกขึ้นมานั่งนั่งนั่งเอามือตกมาที่นอนอย่างเงี้ยปวดมากเป็นตัว เคคิดว่าเออใช้แล้วแบบดีขึ้นเนาะใช่ไหมแล้วก็ไปถามเฮียนั่นมาแกอยู่ตรงที่ว่าแกทําซ่อมทีวีก็อยู่หมู่ที่สองตะเคียนหมู่ทีดมั้งตรงนู้นหมู่เราอยู่ตะเคียนเลื่อนเหมือนกันหมู่เนี่ยลองถามแกหมู่ทีเบ็ดตะเคียนเลื่อนเนี่ยจะพูดอะไรใช่นะจะซ่อมทีวีซ่อมอะไรเนี่ยอ๋อที่เาพี่พี่ผู้ชายที่เขาอยู่เตะเคียนเลื่อนแล้วเขาก็รับซ่อมทีวีแล้วก็เปิดร้านขาใช่ไหม ใช่จากเพราะว่าเนี่ยจะรู้จักกันจะผ่านไปก็ตลาดจะเจอผ่านล้านแกงอะตลัดนะแต่ก็เลยถามก็เลยถามเฮียกินยามุนไว้เป็นยังไงกูดีดีมากเลยแหละเฮียก็บอกอันนั้บอกกินเลยสั่งมากินเลยไม่ต้องกลัวผิดหวังแล้วบอกอบอกเ้ียฟังว่าอาการอย่างนี้อย่างเงี้ยนะอเฮียก็บอกว่าขนาดแกไปฝังเข็มมาอะไรมายังไม่หายเลย จ้จจาคุณ้อ่แล้วคุณผ<ะ>ู้ฟัมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมคือบางคนเนี่ยคือลองมาเยอะเจ็บตัวมาเยอะใช้จ่ายเงินโอ้โหหมดไปไม่รู้เท่าไหร่เลยแล้วก็กลัวว่าหืมของมูลใบก็คงเหมือนเหมือนกันนั่นแหละคงไม่ดีขึ้นหรอกอะไรเงี้ยแล้วไบหน้าไบหน่าจะกลัวเนาะฟังฟังดูที่ให้สัมภาษณ์แนละ้วตั้งหลายคนแล้วก็ดีกันหมดแล้วก็ราคาก็ไม่สูงเกินเกินไป สังดูแลดีกันเราไปวิ่งหามหมอตลอนตะลอ น, นแล้วก็ไม่หายด้วยน่าลองอของเราก็อยู่กับบ้านแล้วก็รอรับของที่บ้านใช่ไหมคะใด้จ้อถ้าทางรายกามูลไรนะคะต้องขอขอบคุณคุณสมจิตโยคีนะคะที่เป็นผู้สะพ้ายกับคุณป้าอัมพรโยคีนะค ะ, ะที่อยู่ตําบลตะเคียนเลื่อนใช่ไหมค ะ, ะอยู่หมู่ไหนนะคะ สิสองจ้าหมู่สิบสองตําบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะจ้าค่ะขอบคุณคุณสมจิตมากค่ ะ, ะชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูนไบร์ย้าชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูนไบร์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูนไบร์สอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์ แดหนึ่งสามเก้าสี่หเก้าเจ็ดเจ็ดยดหนึ่งสามเก้าสี่หเก้าเจ็ดเจ็ดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมูลไบรทสัญจรบอกเล่าเก้าความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บุญไบรนะคะวันนี้ค่ะ DJM อนะคะอยู่กับคุณน้อยบุญศิลค่ะซึ่งคุณน้อยนะคะ เป็นคุณยายค่ะที่มีความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบร์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังความประทับใจของคุณน้อยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายน้อยค่ะจ้าจ้ค่ะเดี๋ยวให้คุณยายน้อยแนะนาชื่อนำสกุลแล้วก็ที่อยู่ในปัจจุบันนะคะคุณน้อยนำสกุลบุญศรีค่บคะบานเล็กจีแปดสิโ หมู่ที่เอ็ดจ้ะตำบลอะไรคะบนตะกีเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณยายน้อยคะก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของมูลไบร์เนี่ยคุณยายน้อยมีอาการเป็นยังไงบ้างะคะก่อนใช้คะ่ะก่อนจะใช้เนี่ยมันเดินเดินตะแคง ไปข้างหนึ่งยกข้างหนึ่งยกข้างขวาแล้วมันจะปวดตรงตระเบนเนกลงถึงมือก้นกรอบมาจาะ ก, กระดูกสูดอ่ะอันนี้จะชาเท้ า, าแล้วมันจะปวดปวดตรงตระเบนเนกม า, ม า, มากเลยล่ะ ค่ะแล้วคุณยายเวลาเดินเอียงไปข้างหนึ่งชาเท้าเนี่ยเ yeah. ดินจะแทงข้างยกข้างเลยกลงนั่นแะค่ะทางขวายกขึ้นเดินจะแทงไปเลยแล้วเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยคุณยายรู้สึกว่าใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นมั้งไหมคะ ยากลำบากไปไหนก็ไม่ไหวนอนก็ต้องนอนตะแคงนอนหงายก็นอนไม่ได้นอนตะแคงตลอดสี่ปีห้าปีเนี่ยแล้วก็จะไปบ้านลูกก็โอ้โหไปไม่ค่อยไหวจะปวดแล้วคุณยายน้อยอ่ะค่ะ ามารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์นะคะได้ทางทางไหนอะคะฟังวิทยุจ้ะค่ะแล้วหลังจากที่คุณยายน้อยใช้ของมูลไบรท์ไปแล้วคุณยายน้อยเป็นยังไงบ้างคะก็คนชั่วขึ้นคนชั่วขึ้นจ้ะ คุณยายน้อยเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าคอยยังช่วยขึ้นเนี่ยตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะาการเบาปวดแล้วก็ไปทำงานก็ไปได้ไปก็ถอนหญ้าไปใช้จอบใช้ใช้ได้ก็ใช้ก็เสียมใช้จอบได้แล้ว ก, ก็ไม่ได้ต้องนั่งถอนมีดแผลงเอาหญ้าออก จะไม่มาที่หลังนี่มาทานใหม่นี่อีกหยุดไตั้งนานเลยมาล้มตวัดกงคงลื่นนั่นอีกโอนขอ้างซ้ายแทกลงไปแล้วก็จะได้มาปวดยุดถึงต้นคอค่ะก็เลยนึกถึงมูลไบรท์ใช่ไหมคะจ้า แล้วก็ร้ยจังใหม่อีกเนี่ยก็จะกินทานต่อไปแล้วคุณยายมีอะไรจะฝากกับผู้ฟังทางวิทยุบ้างไหมคะจ้ะคุณยายมีอะไรจะฝากกับผู้ฟังทางวิทยุบ้างไหมคะที่เขาเป็นเหมือนคุณยายอะคะ่ะใครเป็นอย่างฉันนี่ก็ขอให้ทานอาหารเสริมมูลใบกระน้ำมันผา ตึงเส้นปบชุดน่จ้ะค่ะทางรายการมูลไบร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณยายน้อยบุญสินเป็นอย่างมากนะคะที่มาแสดงความคิดเห็นนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับผลิตภาาัณฑ์มูลไบร์ค่ะขอบคุณคุณยายน้อยมากเลยคะ่ะจ้ะขอบคุณจ่าช่อมือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์จำํำ ชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบจะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูลไบสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสาเกสี่หเก้าเจ็ดเจดจำศูนหนึ่งสามเกสหเก้าเจ็ดเจ็ด ที่ใช้กว่านี้ก็บอกเขาติดว่าเหาบ่มีียงกันแลบ่ต้องอ้อนแอวให้เพื่อนช่วยเคลียร์หนทางเดินนี้เปิดตัวเขาตาอย่าแอบพบหาคือเล่นบักลีจะเป็นไปไปโดย ส่งคืน ต้อหัวใจอยากก่อไอ้หอดมือตายแต่จังได้คนบอหากัน คุณสินค่ะค่ะอยู่ย7ิเจ็ดทับสี่วังยางค่ะตำบลตะเคียนเลื่อนอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณพี่ปัทมาคะก่อนหน้าที่จะเอ่อมาใช้ของมูลไบร์อะค่ะพี่เป็นอะไรมาแล้วเป็นมากี่ปีคะปวดหลังถ้าช่วงกระเอวเนี่ยค่ะแล้วก็มือชาค่ะ ค่ะ <c oughs> เป็นมาหลายปีเป็นมาปีๆแลว้วอะแต่มันปวดปวดให้หายอะ่ะอืมค่ะแล้วคุณพี่ประกอบอาชีพอะไรคะทำไรคะ่ะอืมทำไรอ๋อทำไรมันก็ต้องมีการเ อ, อ่อาะแบกของหรือไม่ก็ขุดดินดอะไรอย่างนีอ้อ่าจ้ะ ค่ะด้วยการที่เราประกอบอาชีพทำไร่นะคะก็ะทำให้เราเนี่ยเส้นไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นมาหลายปีแล้วแล้วของคุณพี่ปัฐมานเนี่ยรู้จักมูลไร้ได้จากทางไหนคะฟังในวิทยุค่ะค่ะฟังครั้งแรกนี่เชื่อเลยไหมว่าดีขึ้นเลยก็ฟังฟังเขาสัมภาษณ์แล้วก็ อ, อ, อาการมันใกล้เคียงกัน ได้ฟังอยู่ส3าครั้งก็เลยตัดสินใจสั่งดูค่ะเพราะช่วงนั้นมันกาลังปวดจัดเลยอืแล้วสั่งไปชุดแรกแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็สั่งมาชุดหนึ่งแล้วมาแบ่งกับที่สาวก็ละครึ่งอืมแล้วผ่านไปรู้สึกมันเบาเบามือชาค่ะตอนกินไปตอนแรกก็ปวดหนักเลยนะปวดหลังเลอย่งก็ปวดมากกว่าเก่าค่ะ การได้ช็อพักมันก็เบาอ่ะสักพักนี่ประมาณกี่วันคะพี่ประมาณสิบกว่าวันนะอืสิบกว่าวันนะค่ะจ้ะค่ะร้อนเบาแล้วพอถามพี่ตรงๆเลยนะพอมันเบาแล้วแล้วพี่รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะดีใจไหมก็พอใจค่ะพอใจนะอืมมันคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่พี่ได้รับอ่ะคะ่ะ ก็ตอนแรกก็ว่ามันแพงแต่พอซื้อมากินแล้วมันรู้สึกว่าแค่นี้มันไม่แพงอะคะ่ะความทรมานที่เราเป็นอยู่ค่ะเพราะว่าจากผลการสำรวจของทางมูลไบรเนี่ยนะคะมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะของผู้ใช้อาการดีขึ้นตั้งแต่ชุดแรกที่ใช้แต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบห้าวันนะคะถึงจะดีขึ้น ค่ะคุณพี่ปัธรมามีอะไรอยากจะฝากกับผู้ที่ปวดหลังหรือชามือชาเท้าแบบพี่บ้างไหมคะก็แทบเป็นไปได้ก็ลองซื้อไปทานดูค่ ะ, คะเพราะว่ามันไม่แพงเกินไปค่ะเพะที่เราหายค่ะแล้วตอนนี้อาการปวดหลังพี่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเบาแล้วค่ะ เ, ออเบาไปเยอะแล้วแต่เรายังทำงานอยู่ทุกวัน แต่มันเป็นมานานแล้วด้วยค่ะก็เดี๋ยวค่ะใช้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะ ข, ขอบคุณคุณพี่ปัฐมามากค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชามือชาเท้าป ว, วดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูนไบร์จำ้ำ ชาอมือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูไนไบรจะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูไนไบรสอบถามได้ที่เบอร์0813946977สเกสหเกเจดเจำศูสาสหเกเจ ครับครับสวัสดีครับผมชาติชายครับค่ะคุณชาติชายนี่อยู่ที่ตำบลตะเคียนเลื่อนอเภอเมืองจัังหวดคนครสวรรค์ใช่ไหมคะครับใช่ครับอ่าอยู่หมู่ไหนคะอยู่หมู่อ่าหมู่สิบเอ็ดครับหมู่สิบเอ็ดนะคะครับค่ะคุณชาติชายคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหายดีแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณชาติชายเป็นอะไรมาคะอ๋อช่วงนั้น เส้นมันปวดเส้นมากครับเส้นตั้งถึงจากด้านขวาจากน่องมาตรงนี้จงสะโพกเนี่ยเส้นมันจะจะเจ็บปวดมากเลยก็เป็นอย่ว่าเคยสังเกตนที่เช้าเนี่ยคือถ้าเราตื่นมามันจะปวดมากก็เลยที่บอกอะเคยเห็นก็ฟังจากวิ่ยุก็เลยพอตื่นเกินแล้วมันดีก็เลยลก็ลองก็ลองก็กินดูก็ใช้ได้นะครับถึงจะกินแล้วมันจะเบาแล้วตก็เราลงไปเยอะก็ดีขึ้นเยอะเลยครับ แสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเส้นจากน้องด้านขวาขึ้นมาสะโพก<า>มันเห<า>มือนกับว่ามันปวดเหรอคะปวดครับปวดปวดมากเลยวิ่ง ว, วิ่งแล้วตืน่นนองแต่เช้าเนี่ยแล้วลุกมาเนี่ยโอหเดินได้นิดหน่อยก็ต้องงงไปนั่งนวดแล้วก็มัปวดมากเลยอ๋อคือเดินได้นิดเดียวก็ต้องไปนั่งนวดแล้วเห็นบอกว่าวิ่งก็ไม่ได้ปวดครับก็ช่วงโดยเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยตื่นนอนรู้สึกเหมือนเหมือก็บเสมัน มันปวดมากนะค่ับมาลองทานดูก็สิดีได้ผลดีใช่ได้ค่ะก็คือลองคือมันปวดเซนมากเลยเออลองใช้ของมูลไบรเอามาลองทานปรากฏว่าก็ได้ผลดีนะคะเห็นบอกว่าคือเดี๋ยวนี้เนี่ยที่อาการปวดมันมีนิดๆหน่อยๆเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วใช่ไหมคะครับค่ะ แล้วอาเดี๋ยวทางมุนไบรท์ขอคุยกับแฟนพี่หน่อยได้ไหมเพื่อยืนยันนะคะว่าอ๋อพี่ผู้หญิงก็ได้ครับเดี๋ยวนะครับรอแป๊บหนึง่งค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวขอสอบถามจากพูดคุยกับพี่ผู้หญิงด้วยนะคะค่ ะ, ค, ะค่ะพี่ผู้หญิงเออเป็นแฟนของพี่ชาติชายใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ เออเห็นตอนแรกคุณชาติชายบอกว่าปวดเส้นมากแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่โอแค่จะต้องมาคอยนวดคอยอะไรกันเลยเป็นอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะค่ะแล้วตอนตอนตอนหลังนี่อาการของพี่ชาติชายเป็นยังไงบ้างคะพี่เล่าให้ฟังหน่อยก็ดีขึ้นก็หายก็หายไปเรื่อยๆหมดก็ก็หายไปแต่พอนานๆเขาก็เริ่มจะมาเจ็บเส้นนิดๆหน่อยๆก็ ก็ดีขึ้นเรียกได้ว่าไม่ไม่ได้กลับไปเป็นปวดทรมานเหมือนช่วงก่อนอยู่ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้กินแล้วนะเขาหายไปแล้วคือเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับก่อนที่จะมารู้จักกับมุนไบร์นะคะตอนนี้ที่แบบคืนที่ยังเป็นนิดนิดหน่อยหนอยไม่เยอะเนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่ก็น่าจะเป็นร้อยเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ทํางานได้อะไรได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนออกมาจากห้องเขาก็ปวดมาก่ย นะคะเออมันก็ดีอ่ะไปนวดเส้นมากอะไรมัางช่วงที่มนเป็นๆพอเป็นนิดๆหน่อยๆเขาก็ไปนวดมันก็หายนะอ๋อแสดงว่าแต่ก่อนก่อนหน้านี้ต่อให้นวดก็เอาไม่อยู่คือมันปวมากใช่โอ้คือตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่เอาแล้วทรมานใช่ะช่ค่ะค่ะทางรายการบุญไบร์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะ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 สั่งชุดน้ำมันมูลไร์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมเวลาของรายการมูลไร้์พาเพลินได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในเวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ